นะโมตัสสะวโตอรหะโตสมมาสมบุตัสะนะโมตัสสะตวาโตอรหะโตสมมาสมุตัสะนะโมตัสสะตวโตอรหะโตสมมาสมบุตสะสลายะฎิาวิโสมาธิมหผลุโติมหานิสังโช สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหาหนิสั่งซาปัญญาปริภาวิตังจิตังสัมะเดวอาสเวหิวิมุตติอิมัสสะธรรมปริยายัสสะอโธสะอายะสมันเตหิสกจังโสตโมติ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 เครื่องมือสื่อสารกับโลกภายนอกของจิตคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจตาหูจมูกกลิ้นกายและใจ น, นี่แหละเป็นที่เกิดของอารมณ์และกิเลสทั้งหลายเมื่อตามองเห็นโลกธาหากวาจิต อ, อนสติ หรือสติอ่อนรู้ไม่ทันเผลอเกิดความยินดีก็เป็นความมัจันหาเกิดความยินร้ายก็เป็นวิภวตันหาถ้าไปยึดมั่นถือมั่นในความยินดียินร้ายก็เป็นภวะตันหาสิ่งที่ทานเข้ามาทางหูจมูกลิ้นกายก็ดีก็เช่นเดียวกัน เมื่อสิงซึ่งมาสัมผัสกับจมูกลล่นกายได้ใจถ้าเกิดความยินยินร้ายก็เป็นกิเลสยินดีก็กามมัตรหายินร้ายก็วิภวตันหายึดมั่นในสิ่งด้านก็ภาวะตันหา เมื่อจิตมีความรู้สึกว่ามีการมตันหาภวะตันหาวิภวะันหาอยู่พร้อมเขาก็ย่อมมีความยินดียินร้ายถ้าสิ่งที่พอใจยินดีก็มีความทะเยอทยานอยากไ ด, ากด้อยากมีอยากเป็นแต่สิ่งใดไม่พอใจเกิดความยินร้ายก็้าเยอทยานอยากจะให้พ้นไปหรือหนีให้พ้น ในเมื่อไม่สมหวังเรื่อนหนีไม่พ้นก็เป็นทุกข์ทุกข์ที่เกิดเพราะตัญหาคือทุกข์อริยสัจทุกขอริยสัจนี่หมายถึงทุกข์ใจทุกข์ที่เกิดกจักใจเป็นทุกข์ที่มีใจเป็นผู้รับรู้แต่ว่าทุกข์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีตาหูจมูกเล่นกาย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 ในเมื่อเรามาพิจารณากันดูให้ซึงความทุกข์ที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราเจยอยู่เพราะเรามีกายาหากว่าเราไม่มีกายมีแต่จิตวิญญาณดวงเดียวความสุขก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความยินดีไม่มีความยินได้ไม่มีนี่แต่ความว่างเปล่า ว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่มันเป็นกลางๆอันนี้คือความเป็นเรนจริงมกรคท้องจิตแท้จิตตั้งเดิมจิตจะไ ป, ไปอยนิ่งนิ่งว่างว่างปัทชละไม่ทางพิกาเวจิตตัง โดยธรรมชาติของจิตตั้งเดิมเป็นธรรมชาติกระพัดสนแต่อย่าไปเข้าใจว่าจิตประพัดสนกอจิตหมดปเปลืถึงพระนิพพานไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเิเทสะอาดเพียงแค่สะอาดไม่ถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงเหมือนเหมือนกับผ้าสีขาว เรามองดูแล้วมันเป็นผ้าที่สะอาดเพราะมันเป็นสีขาวไม่ถูกต้องด้ฝุ่นละอองลุ่อสีมันก็ยังทงความเป็นผ้าสีขาวกล้องมันอยู่อย่างนั้นจิตของคนเรานี่ก็เหมือนกันดั้งเดิมก็เป็นจิตที่มีสีขาวแต่ในบางครั้งจะมัวหมองขุดมัว พระอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกเล่นกายไปปรุงแต่งติตให้มีความยินดียินร้ายจึงเกิดความมัวหมองเกิดความเศร้าเกิดความไม่สะอาดแล้วก็แสดงปฏิกิริยาออกไปหยินดีบ้างกินร้ายบ้างแล้วก็เป็นภูมิอันนี้ในขณะที่กายมาปรากฏ แต่ถ้าเขาบอกจิตไม่มีกายก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เรามีอุบายครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจา้ามีอุบายวิธีให้เราปฏิบัติหลายแบบหลายอย่างเฉพาะแต่สมถาประมาทานอย่างเดียวมีถึงสี่สิบแบบ ทางนี้ทางนั้นก็เพื่อให้นักปฏิบัติทมจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิถึงจุดที่ไม่มีอารมณ์จิตมีแต่จิตนิ่งสว่างสวัยอยู่รู้ ร, รู้ตื่นเบิกบานก็เพื่อที่จะให้เรารู้ว่าจิตแท้จิตร่างเดิมของเรานั้นมันเป็นอย่างไร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 เึงทำให้จิตเศร้าหมองบ้างทองแท้วบ้างสลับกันไปเป็นช่วงๆในสมัยโบราณพวกฤาษีทีไคทั้งหลาย <c oughs> เขาบำเพ็ญสมาธิภาวนาได้ทานสมาบัติแปดจิตที่อยู่ในสมาบัติแปดตั้งแต่ขั้นแต่ตุถะฌานขึ้นไป จะรู้สึกว่าไม่มีร่างกายตนตัวปรากฏโอ้ทำสมาธิภาวนาได้ทานถ้าไปหลงติดหลงติดความว่างในสมาธิในทานพอไปเที่ยวสำคัญว่าตัวได้สำเร็จอริพพนสำเร็จเป็นพระอระหันต์เราไประช่าใจว่าในเมื่อเราใกล้จะตาย เราเรียกกำหนดจิตเข้าสู่สมาธิทำจิตให้ดำเนินไปตามขั้นตอนของทานในเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดในอ่แล้วก็สาเร็จพระนิพพานส่วนใหญ่พระฤาษีเข้าเข้าใจกันแบบนี้อันนั้นเป็นสมาธิตามแนวทางพวกฤาษีที่บำเพนบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าบางเป็นพระอรหรันต์บาง มองแต่ความสงบมองแต่อิธิสิะมองแต่ความเก่งมองแต่ความรู้ความเห็นในสิ่งต่างๆซึ่งเรื่องซึ่งตามนุษย์ธรรมดาไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ในเมื่อพระพุทธเจ้าได้มาตรัสลูแล้วพระองค์ทรงจัดเจนในเรื่องของของสมาธิพระองค์จึงมาบรรัญญัติสมาธิ ที่เป็นไป ต, ตามแนวทางของทานสมาบัติว่าอารัมมณูปนิธานเพื่อไม่เจตสงบแล้วไปโลยอยู่ในสิ่งสิ่งเดียวความรู้ไม่ปรากฏสบายดีเหมือนกันแต่เสร็จแล้วสมาธิในระดับทานสมาบัตินี่มันเป็นสมาธิเพียงแค่ขั้นโลกีเท่านั้นยังไม่ถึงขั้นโลกุตระ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 อันนี้เป็นสมาธิที่ยังไม่เข้าทางแห่งอริยมรรคอริยผลส่วนสมาธิที่เข้าในทางแห่งอริยมรรคอริยผลหมายถึงลักคนูปนิธานเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วความสงบของจิตก็มีวิตกวิจารปิสุขเอกคตาเช่นเดียวกันกันกบสมาธิในทานสมาบัติ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 สมาธิตามแนวทางอริยมรรคมันจะแยกไปแต่สมาธิเบื้องต้นท่านผู้ปฏิบัติลองสังเกตดูให้ดีเช่นอย่างเราบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นตนเมื่อบริกรรมภาวนาไปพอรู้สึกว่าจิตมีอาการเคลิมเคลิมจิตยหยุดบริกรรมภาวนา แล้วความคิดอื่นมันเกิดขึ้นนอกจากบริกรรมภาวนาในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าจิตกำลังจะเดินเข้าไปสู่อารัมมณอนุปนิชฌานในบางครั้งบางทีนักปฏิบัติทำสมาธิให้ได้อัปปนาถึงอัปปนาสมาธิเวนาโพธโททิไรเ่เจ็บเข้าสู่อัปปนาสมาธิทุกครั้งทุกที แล้วเป็นนิ่งอยู่ในอัปปนาสมาธิเป็นเวลานานๆหลายหลายชั่วโมงทีนี้แต่เมื่อภายหลังเรามาภาวนาพูดโทพูดโทเพียงสองสามคำเหตดมันประโกลงไปนิดหนึ่งแล้วก็เกิดความรู้ขึ้นมาฟุ้งๆุ้งขึ้นมาอย่างกระนามผุนี่ทัยติทุกท่านผู้ใดเป็นไปอย่างนี้ กำลังจะก้าวขึ้นสู่ลักคนูปนิธานลักคนูปนิธานติดสงบแล้วมีความคิดอ่านเกิดขึ้นถ้าหากผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจจิตปล่อยให้จิตเคิดไปตามธรรมชาติของจิตแล้วมีสติกำหนดตามรู้อารมณ์จิตไป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 ถ้าภาวนาพโพธิโพอยู่ถ้าจิตนิ่งอยู่กับพธิโพก็ปล่อยให้มันดู่ไปแต่ถ้าจิตเพ่งพธิโพไปคิดอย่างอื่นพอรู้ตัวให้เดึงกลับมาหาพธิโพอีกนี่เราจะได้ยินครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้แต่วันนี้ท่านมาได้ยินว่า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 เพราว่าได้กล่าวแล้วว่าสมาธิมีอยู่สองอย่างอารมมณูปนิธานเจตสงบนิ่งเป็นสมาธิรู้ที่จิตเพียงอย่างเดียวความรู้อื่นไม่ได้เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งอารมมณูปนิอัลพันูปนปิธานเมื่อเจตสงบแล้วความรู้ความคิดอ่านมันเกิดขึ้นยังกระนามภู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 คิดเรื่องบุญคิดเรื่องบาปคิดเรื่องผู้สนเรื่องอาผู้สนปล่อยให้คิดไปบางท่านอาจจะคิดว่าถ้าเผื่อไปคิดถึงถึ ง, ถงเรื่อ ง, องบาป ท, ทำบาป ท, ทำกรรมกลัวว่าจะเกิดเป็นบาปเป็นกรรมขึ้นความจริงสิ่งที่สาเร็จเป็นมโนกรรมนั้นเราต้องดีเจตนาคือความตั้งใจจะคิด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 เอาความคิดเป็นอารมณ์ทีนี้ในบางครั้งถ้าเรากำหนดรู้อารมณ์จิตไปเป็นจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ความคิดนั้นมันอาจจะมาย่วให้เราเกิดความพอใจไม่พอใจแล้วก็เกิดตกเกิดทุกข์ขึ้นมา เมื่อจิตมีสติกำรรนดู้รล้ทีเวทนาก็เรียกว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานถ้าจิตไปกำนดหมายรู้เรื่องแห่งความคิดเร่งเป็นกุศลหรืออกุศลก็เป็นธรรมานุปัชนาสติปัฏฐานเรามีความคิดได้เพราะเรามีกายอาศัยกายเป็นเครื่องมือ ความรู้ว่ามีกายก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้ว่ามีเวทนาสุขภพก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้ว่าจิตมีความคิดก็เป็นจจตานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้ว่าความคิดนั้นดีทั่ว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 แล้วก็มาเจริญเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตานุปัฒน า, านสติปัฏฐานธรรมานุปัสฐานสติปัฏฐานโดยลำดับเ <_ d ata> ือว่าทำให้คล่องตัวชํานิดงทำนานแต่แ ล, ะและอย่างแต่ความจริงไม่ใช่เป็น่างนั้น <_ d ata> เพียงแต่เรารเพียงแต่เรามีสติกาหนดรู้จิตของเราเพียงอย่างเดียว <_ d ata> <_ d ata>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 เรานอนติดให้ผูกจยกับอารมณ์เดียวเพียงแต่จิตหยุดคิดหยุดความวุ่นวายห้ลู่ในสิ่งสิ่งเดียวแต่หากว่าความตั้งใจที่จะควบคุมติดไห้ลู่ในสิ่งเดียวยังไม่หมดไปแต่สามารถทำติดให้สงบได้อันนี้ก็เป็นเพียงแค่ความสงบยังไม่ใช่สมาธิ สมาธิจะมีขึ้นได้ต่อเมื่อผ่านความสงบไปแล้วเมื่อเ ก, เกิดมีความสงบสมาธิดิ่งลงไปเกิดมีปิติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งมีความสว่างไสวเกิดปฏิวัติตัวไปตามขั้นตอนของสมาธิจกิดจะดูในชา้นที่หนึ่งก็เป็นไปเองจะก้าวขึ้นสู่ชานที่สองก็เป็นไปเอง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 ที่เราตั้งใจกปกปางแยกแกะมันไปเป็นเสียเพียงภาพปฏิบัติเท่านั้นปฏิบัติเพื่อนำจิตเข้าไปสู่ความเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นนะักปฏิบัติทั้งหลายเพึงสังเกตให้รู้ความเป็นไปของจิตของตนเองสมาธินี่มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในขณะ